พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห1อดลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ส2องมิถุนายน2556นณวัดสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อเรื่องว่าอีกสักวันเราต้องทิ้งทั้งหมดตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานสิ่ง ก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะใช้คําหลมพ่อก็แล้วกันนะเพราะหลวงพ่อเคยพูดหลวงพ่อนะถ้าหากว่าผู้มีอายุสูงกว่าหลวงพ่อก็ถือว่าญาติธรรมผู้คณะศรัทธาญาติโยมแต่ว่าผู้น้อยกว่าหลวงพ่อก็จะเรียกว่าหลวงพ่อแทนก็แล้วกันนะ ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะเป็นหลวงพ่อกับทุกคนไม่ใช่นะแต่เป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ยกให้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าให้ถือว่าที่ผู้สูงกว่าหลวงพ่อก็ถือว่าท่านรู้แล้วนะแต่หลวงพ่อจะสอนจะพาะลูกๆ ล, ล้านๆที่มีอายุน้อยกว่าเพราะนั้นจะึงหลวงพ่อจึงเรียกตัวเองว่าหลวงพอ่อนะอย่าไปอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่น่นะ ธรรมดาบางคนก็เรียกลงปูลงตาก็มีลงผี่ก็มีชุดแท้แต่ใครจะเรียกอย่างไรหลวงพ่อรับได้ทั้งนั้นแหละเพรหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะก่อนที่เมืเกเนคณะสัทย า, ญญาติโยมได้กล่า ว, ข อ, ว, าวอาขอสินหรือกล่าวรัตนาสินขอสินขอสมาทานสิน หลวงพ่อไปณสถานที่ต่างๆอย่างที่ไม่เคยมาอย่างวัดสันติธรรมแห่งนี้แหล ะ, ะหรือคณะสัตยาติโยมได้ขอสมาทานหรือจะสมาทานสินอย่างวันนี้แหละหลวงพ่อจะได้อธิบายหรือว่าทําความเข้าใจกับคณะสัตยาติโยมผู้ที่ขอสมาทานศินเพราะว่าหลวงพ่อเองไปณสถานที่ต่างๆ พอศัทธาญาติโยงกล่าวอารัธนาสินพระสงฆ์ที่เป็นประธานสงฆ์หรืออย่างขึ้นธรร ม, มาจจะเทศอย่างหลวงพ่อขนาดนี้แล้ะท่านก็จับตรบัดเข้ามาแล้วท่านก็ให้ศินไปเลยแต่หลวงพ่อได้นำมาคิดนำมาพิจารณาอยู่ว่าถ้าว่าพวกเราลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็คงจะยังไม่รู้เรื่องศิน แต่รู้ว่าสินห้าน่คืออะไรก็รู้แต่พราะคุณค่าของศินหรือว่าการอธิบายเรื่องของศินมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรก็ไม่ยังไม่มีใครอธิบายในโพนิสกุกเลยพวกเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็เลยพูดรวบลัดเลยว่าเรื่องศิลธรรมเป็นมันเป็นหน้าที่ของคนแก่ที่ควรเข้าวัดคนที่ไม่ได้ทำการทำงานนี้แล้ว คือรักษาศีลห้าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายกำลังทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยจะไปรักษาศีลห้ากับเขานะจะไปทำได้อย่างไรเพราะศีลห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ก็ชัดเจนอยู่แล้วเนะี่ยอธทินาทานการเมซุมิชชาจาร์มุสสาสุราล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องข้อห้ามสำหรับเราเราจะรักษาศีลเนี่ยคงจะไม่สะดวกอย่างนี้เป็นต้น เพราะนั้นหลวงพ่อเองไปนสถานที่ใดหลวงพ่อจึงได้อธิบายเรื่องของสินให้กับคณะทายาตโยมลูกกลานเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาอันดับแรกอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยบางแห่งหลวงพ่อไปทัตทายาตโยมก็อาราธนาสินว่ามะยังพันเตติสรเนศะปัญจศีลานิยาจามะอย่างวันนี้ แล้วไปบางแหงว่ามะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนัตถายะติสระเนนัสหะปัญจจีลานยาียจามะทําไมรักษาศีลห้าเหมือนกันทําไมอารัธนากล่าวคําอารัธนามไม่พูดเหมือนกันศีลมีสองมาตรฐานหรือเปล่าถ้าว่าเป็นภาพผู้สังเกตก็จะได้สังเกตแต่ผู้ผู้ไม่สังเกตเ อ, อคนโบราณว่ายังไงก็ว่าไปตามนั้นแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ภาษาบาลี แต่ตามไม่จริงก็เป็นสองอย่างจริงๆนะคือมายัางพันเตวิสูงวิสูงรักนัดถายะความแปลและความหมายกะว่าข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลทั้ง5้าข้อพร้อมกันทั้งหมดถ้าว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็คือขาดทั้งหมดคือรักษาศีลรวมแต่วิสูงวิสูงรักนัดถายญาณข้าไปเจ้ารักษาศีลเป็นข้อๆเพราะข้าไปเจ้าไม่มั่นใจว่าการรักษาศีลเนี่ยจะรักษาได้ตลอด เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลไปแล้วสมาทานศีลไปแล้วข้าไปเจ้าตบยงุงศีลก็ขาดไปข้อเนี่ยออกปาณาต่อมาเดินไปไปเห็นรองเท้าขามวยรองเท้าเขาเองศีลขาดไปข้อสองไปทําไม่ถูกในศีลข้อ3ากาเมศุมิจฉาจาราวรเมณีไม่ครบรศีลข้อ3ามก็ขาดศีลไปอีกข้อเนี่ยแล้วไปเห็นคนโกหกเขาอีกขาดศีลไปข้อที่สี่ ไปเห็นเขาดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไปกินกับเขาอีกขาดเป็นข้อที่ห้าคือขาดเป็นข้อๆนะวิสุงวิสุงนะแต่ว่าถ้าให้หลวงพ่อโพูดว่าอันไหนดีครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ว่าเอารวมเลยลนะ่ะภาพรวมเลยนะติชะเนนัสหะนั่นแนหะคือเราจะต้องตั้งอกตั้งใจก่อนที่จะสังสมคุณงามความดีเราต้องตั้งใจไม่ใช่ว่าทํากระจิบกระจบ ทํามาค้าขายแบบกระจิกกระจอกพอได้มามาเกิกระจิกกระจอกเหมือนกันแต่ถ้าเราทําตั้งอกตั้งใจทําหมือคุณงามความดีบุญกุศลกุศลที่เราตั้งใจจะจะเข้าสู่จิตใจของพวกเรา เ, เป็นน้ําเป็นเนื้อเป็นกอบเป็นกรรมเพราะฉนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจทําคุณงามความดีด้วยความตั้งใจอันนี้ก็คือการรัฐนาศินอสองมาตรฐานในสองแนวทาง จากนั้นก็หลวงพ่อเองจะว่านโมเห็นทำไมจึงเกี่ยวกับนโมรักษาศีลทําไมเกี่ยวเกี่ยวนโมด้วยนโมตัสสะพระกวัตตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนโมคือแปลนโมเนี่ยเป็นถ้าพูดเป็นภาษาไทยแล้วแ่บแปลอย่างนี้กล่าวถึงสามครั้งนโมตัสสะ ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราจะรับศินก็คือศินที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้บัญญัติขึ้นมาเพื่อให้พุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสมาทานเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสมาทานศิลสินของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านบัญญัติขึ้นมาแล้ว พวกเรายอมรับว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงๆทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขได้จริงเพราะฉะนั้นเราจึงก่อนที่จะรับศีลของพระพุทธเจ้าเราตึงลาลึกถึงต้นาศาสนาต้นาศานสน า, าต้นความคิดที่สมาธิปัญญัติศีลขึ้นมานี้เพราะฉะนั้นเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนอันนี้คือนโมจากนกักพุทธทาง ทำมังสังขังสารนังขจามิรูติยมปิพุทธังทำมังสังขังตาตียำปียืนยันถึงสามครั้งจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระ อ, องค์เองอย่างที่ได้กล่าวและพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมแปดหมสี่พันพระธรร ม, มขันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นเป็นนิยานิกรรม ทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติได้รับความสงบสุขทางกายทางใจเพราะฉะนั้นพระธรรมคือคําสอนแล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่มาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมมาบอกกล่าวพวกเราก็คงจะไม่รู้พระธรรมกงหมดในยุคนั้นสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ว่าเป็นผู้มีพระคุณยิ่ง พระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติพระธรรมพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือผู้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาบอกกล่าวให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นเราจึงยอมรับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันนี้แหละก็คือพระไตรสาระคมอย่างนั้นก็ปาณาติปาตาเวรมณี ศินข้อที่หนึ่งเพระพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าคิดฆ่ากันอย่าคิดฆ่าสัตว์คําว่าสัตว์คํานี้ก็คือรวมทั้งมนุษย์ด้วยสัตตะแปลว่าผู้ข้องอยู่ในโลกวัตตะสงสารยังไม่ถึงพระนิพพานนะว่าสัตตะทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่เทวดาอินธมเป็นสัตว์ทั้งหมดเป็นผู้สัตตะเพราะว่ายังข้องอยู่ในภพในชาติเพราะนั้นอย่าคิดฆ่ากันถ้าคิดฆ่ากัน คนเราคิดฆ่ากันจะหาความสงบร่อมเย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าเราคิดฆ่าเขาฆ่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีสําหรับการอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะเพราะฉะนั้นท่านจึงบัญญัติศินข้อที่หนึ่อยากคิดฆ่ากันอันนี้คือศินข้อที่หนึ่ ง, ข, นน ข, งข้อที่สองอธินาทานาเวรมณี อย่าคิดขโมยกันถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะถ้าใครก็ตามคิดขโมยสิ่งของของคนอื่นเขาเพ้อเพยังขโมยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาไปเรียกค่าไถ่อย่างนี้แล้วเรามีเป็นยังไงเขามีความทุกข์ใจถ้าเขามาขโมยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราไปเรียกค่าไถ่เราก็มีความทุกข์ใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นการขโมยกัน ไม่เป็นพ้นดีในชุมชนในสังคมในกับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สองอย่าข้มยกันสินข้อที่สามกาเมสุมิฉาจาราเวร์มณีพวกเราทั้งหลายต่างก็มีบุตรสามีภรรยาเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าหากว่าพวกเราไม่เคารพสิทธิ์กันไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้ว โลกทั้งโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายอย่างมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมัญญัดสินข้อที่สต่างคนก็ต่างมีให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันการสู่ขอตามประเพณีนั้นมันมีเป็นเรื่องของโลกมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราทําผิดก ฎ, กฎกติกาในการอยู่ด้วยกันนั้นทําให้เดือดร้อนวุ่นวายในชุมชนในสังคมของพวกเราเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สาม ข้อที่สีมุสาวาทาวีรม์มณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เดือดร้อนเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอย่ากโกหกกันโกหกคานี้มันมันกว้างขวางมาก เ, เงิน ใ, ในธ น, นาคารธนาคารเขายัางขโมยได้ทุกวันบัตรไหนตัวบัตรไหนปลอมได้โกหกกันได้เออ แล้วคนโกหกเออมันมีมากหลากหลายในการโกหกแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสไปว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปเคารพอย่าไปให้ความสำคัญกับการโกหกเพราะฉะนั้นเราท้าว่าใครก็ตามเห็นเห็นเขาโกหกขึ้นมาแล้วพวกเราให้ตั้ง ความสงสัยไว้เลยว่าคนคนนี้จะไม่ทําความชั่วยอย่างอื่นเป็นไม่มีนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ฮะอันนี้ก็คือศินข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าผู้ใดก็ตามดื่มสุราคือเหล้าเมลัยคือเบียร์ถ้าใครดื่มสุราเมลยัยเดี๋ยวนี้มีมากคือคัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายาม마โคเคน มีมากมายกระสงข้อเข้ากับสุราถ้าดื่มเข้าไปเสพเข้าไปแล้วขาดจิตเมื่อคนขาดจิตแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างศินข้อที่หนึ่งฆ่าใครก็ได้เ อ, อีอย่างพวกเราเห็นในสื่อต่างๆฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานฆ่าใครใครก็ได้เพราะขาดจิตเพราะคนเมาอธินนาทานขาโมยใครก็ได้กาเมจูมิชชาจานละลาบล ะ, ล, ะ, ล, ะลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะมันเมาขาดจิต โกหกใครก็ได้เพราะขาดสติเพราะนั้นสินข้อที่หอย่ามองข้ามเป็นสินที่อันตรายอย่างมากข้อหนึ่งเพราะนั้นพวกเรารู้คุณค่าของสินคือสินห้าเป็นหน้าที่ของใครท่เนนี่ก็ย้อนถามว่าสินห้าเป็นหน้าที่ของใครจะต้องรักษาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนท้าว่าผู้ใดก็ตามต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนในสังคม ต้องเคารพศีลห้าต้องเคารพกฎกติกาเหมือนกับพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นจุขในบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองต้องเคร่งครัดต้องเคารพกฎหมายถ้าไม่เคารพกฎหมายต่างคนต่างเห็นกฎหมายมีในที่รับมีในที่แจ้งแล้วประเทศชาติบ้านเมืองจะหาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเราเคารพในศีลธรรมของพระพุทธศาสนาเคารพในศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้แล้ว พวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในการอยู่ด้วยกันเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะรัทธาญาตาโยมทุกโม่เหล่าในเมื่อรู้คุณค่าของศีลแล้วต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมท า, านศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพทุทธัสสะก่อนที่จะแสดงธรรมหลวงพ่อจะขอกล่าว เท้าวความให้กัคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมได้รับทราบว่าหลวงพ่ออินนี่เป็นมาอย่างไรก็คงจะคงพวกเราคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมก็คงอยากจะรู้ว่ากระดีมัดเป็นลูกหลานของหลวงปู่จามเป็นลูกศิษย์หลวงตามาหาบัว เ, เ่าเน่แหละหลวงพ่อเนี่ยขอบอกกล่าวให้กับคณะศรัทธา ญ, ญาติโยม ลูกหลานพระเนนพวกองหลวงพ่อเนี่ยเป็นเนนของหลวงปู่ล่าบวชจะเป็ดปี2500นะคณะจัตตาญาติโยมลูกหลานเป็นเนนกลึงพุทธการเมื่ออายุได้11ปีย่างปีสิบสองหลวงพ่อกระบวตเป็นสมเณรอยู่ที่ภูเจ้ากคณะจัตตาญาติโยมที่นั่งอยู่ที่บางคนก็คงจะได้ไปกระภูเจ้ากหลวงปู่ล่าหลวงพ่อเป็นเนนของหลวงปู่ล่า บวชปีสองพันห้าร้อยจากนั้นก็เป็นสมเน็จจุแ8ดปีพอครอบบวชครบบวชเป็นพระเป็นตุเจ้านะครบบวชเป็นตุเจ้าก็ได้บวชเป็นตุเจ้าปีศูนย์ดจากนั้นก็อยู่กับหลวงปู่ล่าอีกปีหนึ่งจากนั้นหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาที่มาจําพรรษาทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาถึงยี่สิบเก้าปีไม่เคยกลับไปบ้านเลย แต่คราวนั้นโยมแม่ของท่านอายุจะเข้า80ทางโยมทางจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยขอกราบอาราธนาขอหลวงปู่จามลงไปเยี่ยมแม่ท่านก็เห็นมาทางนี้อำนวยความสะดวกให้ท่านท่านก็ลงไปไปอยู่ที่ห้วยทรายแต่นั้นท่านก็หลวงพ่อเองกระบวดกัอยู่กับหลวงปู่ล่ามีพระโดยกันสมองค์สี่องค์หลวงปู่จามลงไปท่านก็ไม่มีหมู่ ท่านไปอยู่ห้วยทรายท่านก็เลยไปหาหลวงปูล่ลาวเออขอเนนไปอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าจะได้ไปเข้าไปหายโยมแม่คือโยมย่าของหลวงพ่อเนี่ยนะคือโยมแม่ของท่านเวลากลางคืนไปเข้าไปก็ไม่มีใครจะจะเอาแต่อาศัยลูกหลานก็าคงจะลําบากท่านก็เลยอยากให้เนนไปอยู่ด้วยหลวงปูล่ลาก็อนุญาตให้ไปอยู่กับหลวงปู่จาม แต่หลวงปู่จามก็ไปอยู่ได้สมเดือนหน้าแรงไปโยมไปเทศโยมแม่ของท่านคือโยมแม่ของท่านบวชเป็นชีได้30กว่าพรรษานะพอหลวงปู่จามก่อนที่ท่านจะบวชก็เนี่ยเพราะโยมแม่ของท่านขอร้องแต่หลวงปู่จามท่านก็จะมีครอบครัวแต่งงานเหมือนกันแต่แม่บอกว่าลูกแต่งงานแม่ก็ไม่ว่าก็ดีใจด้วยแต่ถ้าลูกบวชน่ยแม่จะดีใจกว่า ยมแม่ของหลวงปู่จามเอออย่างนั้นแล้วคุณแม่อยากจะให้แห่งกับผมบวชเหรอท่านลูกบวชได้ก็ดีอแม่จะดีใจอย่างมากนี่แหละหลวงปู่จามไม่ได้ตัดสินใจทั้งที่จะเข้าพิธีการแต่งงานอยู่ใหม่ๆอยู่แล้วใครมั่นแล้วว่างั้นแต่มั่นแต่ลูกหลวงปู่จามก็เอาถ้าแม่อยากจะให้บวชก็บวชนะนี่แหละผู้ที่จะดํารงรงศาสนาอยู่ได้ถ้าท่าน ไปแต่งงานถ้วก็คงจะจบนะ่ะในชีวิตของท่านแต่บัดนี้ท่านก็เลยแม่ให้บวชท่านก็เลยบวชให้แม่มาบวชที่จังหวัดอุดรบวชกับเจ้าท่านเจ้าคุณธรรมะเจดีวัดโพธิสมพรจากนั้นท่านก็ได้บวชมาแล้วท่านก็ออกจากบ้านทางนู้นเลยมาอยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่กับหลวงปูแ่แหวนหลวงปู่ตื้อหลวงปู่พรมหลวงปู่ชอบ ทางจังหวัดเชียงใหม่แปลว่าจังหวัดเชียงใหม่ลำพูน ล, ลำปางแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านแถบนี้นล๊อปูมจามไม่เคยขึ้นภูเขาไม่มีล๊อปูจามเนี่ยเที่ยวตะแตกหมดในทางภาคเหนือตามที่ท่านพูดให้พวกเราอ่านหนังสือประวัติของท่านก็ได้ประวัติของท่านที่ท่านพิม ออกมาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเพราะนั้นหลวงปู่จามท่านอยู่ทางภาคเหนือทั้งเป็นเวลาทั้ง29ปีท่านไม่เคยกลับแต่พอท่านกลับไปเห็นโยมบรรดาของท่านท่านก็เลยออโยมบรรดาเนี่ยไม่ไหวแล้วท่านก็กลับมาจําพรรษาทางเชียงใหม่จากนั้นทางญาติพี่น้องเห็นว่าท่านอยู่ทางเชียงใหม่ก็ขึ้นมากราบราธนาท่านลงไปเพื่อให้ไปดูโยมบรรดาของท่านอย่ากนั้นท่านก็ได้ เอาหลวงพ่อเนี่ยเข้ามาจําพรรษาด้วยปีปีศูนย์เก้าอ่าก็เลยจำพรรษาพอออกพรรษาแล้วโยมมารดาของท่านก็ได้จากไปไปเรียมรณะไปพอท่านโยมบรรดามรณะไปแล้วทีนอ่านก็เอ้ยจะขึ้นไปเชียงใหม่กลับอท่านก็ไม่บอกใครอีกต่างหากนะขโมยมาก็ว่าได้แต่เอพอพอ เสร็จแล้วเจ น, นี้เขาก็ถามท่านคุบา ล, ลุงจะไปไหนจะไปธุระวันไหนลุกคุบา ล, ลุงจะกลับมาถามทำไมยังไม่ได้ไปเออไม่ใช่ธรรมดานะยังไม่ได้ไปจะถามมันกลับได้ยังไงฮะลูกหลานก็เงียบก็กลัวท่านอีกเหมือนกันพอจากนั้นท่านก็ปะ่ะจำตุท่านวาตุปะ่ะขึ้นเชียงใหม่ลุงพ่อก็เองก็เป็นตุกำลัง นั่นอยู่แท้บวชเพียงได้สองพันษาแนทะอยู่กับหลวงปูล่ลาพันษาหนึงปีศูนย์ปดปีศูย์เก้าก็อยู่ที่แบ้านห้วยทรายจากนั้นท่านก็พาเดินทุรงพานั่งรถขึ้นมาทางเชียงใหม่ก็มาพักอยู่ที่วัดเจดีหลวงนี่แหละมาพบกับนี่ไอ้โคศกที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้เนะี่ยชื่อจเจริญเนี่ยเป็นเนนสมัยนั้นนะ่ะเ อ, อหลวงพ่อรู้จักมกคุ้นนะเห็นจำหลวงพ่อเห็นหน้าก็จําได้เออเลินเลยเนี่ย นี่แหละหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดเจดีหลวงพออยู่ได้หลายเดือนพอสมควรท่านก็บอกว่าโตอยู่วัดเจดีหลวงเนี่ยไม่สะดวกหรอกเพราะวัตุเนี่ยเป็นพระป่าอยู่ในป่าดงพงไพรไปอยู่กับหลวงปู่แหวนชนะครับผมะท่านก็เลยส่งขึ้นไปขึ้นจะส่งขึ้นไปวัดดอยแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่แต่ก่อนที่จะขึ้นไปนี่ย ญาติโยมคุณโยมปู่ทองคนโยมเรียงพันคุณย่าผันท่านบอกว่าจะเอาตุ้ขึ้นไปอยู่กับหลวงปู่แวนได้อยู่เลยเพราะหลวงปูน่นู้นี่สวกแต่เตนเนอร์รอย่างนีเขาเขาไปส้วกแต่เตนเนอร์ไอ้แค่าหลวงปู่นู้นี่ดุจริงๆนะเงีนยนะ่ะแต่หลวงปู่จามท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกโตเนี่ยเข้ากับใครก็ได้ไม่เป็นไร แต่เนี่ยหลวงปูจามก็เลยขึ้นไปส่งตะกอนทางลงคอร์ดไม่มีถนนนะคณะสัทยาญาติโยมนะขึ้นไปทางอำเภอฝางนะลงอำเภอฝางลงอำเภอพร้าเลยต้องใช้รถโฟวินเนียรถแลนด์โรเวอร์โฟวินแล้วก็เอาโซ่มัดมัดตีนของมันอีกต่างหากกลมไม่ให้มันลื่นฮะเวลามันจะลงจากเขาเนี่ยดันขนาดนั่นแหละทางลําบากจากนั้นหลวงพ่อเองก็ไปจำพรรษาไปอยู่กับหลวงปู่แหวนมีหลวงหลปู่หนูกกับหลวงปู่แหวน หลวงพ่อเป็นสามองค์ด้วยกันแต่หลวงพ่อทําหน้าที่เป็นเนนนะเออทั้งที่เป็นตุไปแล้วจะทําหน้าที่เป็นเนนต้มน้ําร้อนปาดกวาทําทความสะอาดทุกอย่างเพราะว่าไม่ไม่มีพระไม่มีเนนะมีแต่หลวงปู่หนูก็อายุต่างป่าจะเข้าหกสิบแล้วหกสิบกว่าแล้วหลวงปูแ่แหวนจะเข้าเจ็ดสิบแล้วเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็เพิ่งเป็นพระน้อยพระหนุ่มก็ทําหน้าที่แทนออทุกอย่าง อย่างดูป น, นิบัติของปู่หนูปู่แหวนปี 2,510 จากนั้นก็พอออกพรรษาแล้ว เ, เดือนมกราคมพามหลวงปู่ยามก็ขึ้นไปรับขึ้นไปรับแต่หลวงปู่หนูไม่อยากจะให้ออกทีนี่ เ, เพราะว่าท่านสบายหลวงพ่อไปทำหน้าที่เป็นเนได้หลวงพ่อไม่เทียงทำอะไรทำทุกอย่างาทำด้วยเคารพ นับถือเลื่อมใสพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูหลวงพ่อเขาลบดกวยทั้งทั้งสององนะแต่หลวงพ่อไปภาวนาที่วัดดอยแม่ปางโอ้ก็ได้รับความสงบในทางด้านจิตใจดีมาก็นสถานที่สงบส ง, บสงัดดีมากเพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่เหมือนกันเงียบสงบจริงๆสมัยนั้นสองพนห้าสิบหลวงปู่ก็ยังไม่มีเสื่อเสียงโด่งดังไม่มีใครเข้าไปใกล้ไปไกลเลยสมัยนั้น จากนั้นหลวงปู่จามก็เลยรับลงมาเออเอาตุลงไปเพื่อจะได้ไปศึกษาในสถานที่ต่างๆจากนั้นหลวงพ่อก็ลงมามาอยู่บ้านชอแหลอ่ะอำเภอแม่แตงจากนั้นก็มาอยู่กับหลวงปู่จามเดือน2เดือนมั้งจากนั้นน้องชายที่เป็นสัมเทาก็ขึ้นมาจากกรุงเทพที่เรียนหนังสือก็มาอยู่กับหลวงปู่จามมาอยู่กับหลวงอาเด่หลวงพ่อก็ได้โอกาสก็เลยเออน้องดูแลหลวงอานะ ลรงแรมล้วงลุงนะ เ, เดี๋ยวครูบาจะไปเที่ยวสักหน่อยแล้วจะกลับลงมาลงพ่อก็ขึ้นไปทางนั่นแถวปางกืดนะแถวปางกืดแถวนี่แหละไล่ชาแถวเนี่แถวเชียงดาวนะขึ้นไปหลายๆแห่งจากนั้นก็พี่น้องก็ขึ้นมาจากมุกดาหารตามเอีเลยพอหลวงปู่ปู่จามขโมยมาใช่ไหเขาก็ตามมาอีกตามมาเขาก็เล่นนิมนต์ นิมนต์หลวงพ่อเขาก็ไม่หาหลวงพอ่ออครูบาเ<ม>ขาเรียกว่าครูบานะี่ยจากแี้นิมนต์ลงลงล ง, ลงไปกับวัดแล้วเพราะว่าไม่มีใครไม่มีพระอยู่ในวัดแต่ทํายังไงหลวงพ่อก็บอกว่าเอ้ยท่านคงไม่ไปมันยังไงก็ขอให้ครูบานิมนต์ท่านช่วยช่วยเหมือนกันเราก็ใจซื่อเราก็เอเ ข, เข้าไปก็ไปกราบปรารนาท่านโอ้หลวงอา เ, อเขาบากหน้ามาถึงขนาดนี้พี่น้องก็ยากจนอีกต่างหาก เขาขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็ลงอาไม่ลงไปเฉลยว่มันจะไงยังไงอยู่นะกับผมว่านท่านว่าเออเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราไม่อยากจะลงนะเราเบื่อพอแล้วแล้ว่ะเราไม่อยากจะลงนะเฮงหลวงปู่ท่านมาอยู่ทางนี้น่ะอจากนั้นท่านก็ว่าอ่ะลงก็ลงอะลงก็ลงแต่นี้พอท่านว่าลงก็ลงเราหลวงพ่อเองก็เลยว่าขอการครับลงอาครับ ให้ลุงอาลงไปคนเดียวก็ผมจะอยู่ทางนี้อสักช่วงระยะหนึ่งแล้วก็ผมจะตามลงไปครับผมไม่ได้ต้องไปด้วยกันพคนลุงพ่อก็เลยมุดท่าเลยแต่นี่พราะท่านให้ลงไปด้วยเออตอนแรกคือจะให้ท่านลงไปลุงพ่อก็จะหาภาวนาอยู่แถวเชียงใหม่ในสักช่วงระยะหนึ่งจึงจะลงไปคิดว่านะอที่ไหนท่านไม่ยอมก็เลยลงไปจำมันสายอยู่ที่บ้านห้วยทรายเอทอี่ท่านจำมันสายเนี่ยนะ จากนั้นพอจําพรรษาเสร็จปี2511แล้วจะไงก็ออกพรรษาเสร็จแล้วก็เดือนมกราคมพาหลวงพ่อกระกรับหลวงปู่จามหลวงอาครับพระน้อยพระน ม, มนเลยนีย่อยู่บ้านเนยอยู่ใกล้บ้านนไม่ดีนะครับหลวงอาเหมือนกับหลวงอาเคยสมัยก่อนหลวงอาอยู่ทังหลวงอาก็บอกว่ามันไม่ดีใช่ไหมถ้าอยู่ในบ้านใกล้บ้านมันเหมือนกับทานนี่มัน ถึงจะมันจะดับแล้วก็จริงอยู่แต่มันติดไฟได้ง่ายเพราะนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมากับการเป็นอยู่เนี่ยมันไม่สงบครับหลวงอาก็ผมขอปีดวิเวกไปหาภาวนาเลยเห็นหลวงอาท่านก็แบบฟุ้นฝืนนะท่านก็อเอาไปก็ไปไปหาภาวนานะตั้งใจนะเป็นพระนะอย่าไปคิดทำอย่างอื่นนะเราเป็นพระนะอยู่ในศีลในธรรมนะรู้ไหม เราเกิดมาชาตินี้เป็นลูกชาวนาเราอย่าไปแผ่ไปขออย่าไปเอาอะไรมาสร้างให้ภาวนารักษาศีลภาวนานะ่นั่นแหละเมื่อเราเป็ น, นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราจึางคิดสร้างเมื่อเราเป็นคนทุกข์อย่าไปคิดสร้างให้ภาวนาใหาา้รักษาศีลถ้าว่าสมัยตัวเองเป็นคนทุกคิดอยากจะสร้างแผลขอเขา ในเมื่อตัวเองรวยเ ป, เ, ป เ, เป็นลูกเป็นเศรษฐีร <Okay. S 1> วยมีเงินกับเที่ยวทะเลทะลายติดอวัยามุกทุกอย่างอันนั้นไปนว่าวิญญาณโง่ทานเวานะ่ยอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะให้ภาวนาเนี่ยหลวงอาที่สั่งสอนหลวงพ่อนะท่านสอนแบบนี้นะแล้วเราก็จำไม่ลื ม, มใช่หลวงอาพูดถูกนะอ่อจากนั้นหลวงพ่อก็ขึ้นไปทางจังหวัดชกล น, นครอุดร เข้าไปก็เลยไปอยู่กับองค์หลวงตาปี 2,512 จากนั้นอยู่กับหลวงตาตลอดมาจนถึง 2,525 25. เป็นเวลา14ปีอยู่กับหลวงตาจากนั้นก็ได้ย้ายไปได้ขอท่านไปอนุญาตไปจำบรรษาอยู่ที่อำเภอนาอยูงอย่างที่โคศกได้พูดให้กับคณะทายาิโยมลูกหลานได้ฟังนี่แหละชีวประวัติของหลวงพ่อ กลาวให้คณะัทธาญาติโยมพ่อหลวงพ่อเนี่ยเคยมาจำพรรษาทางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอรพร้าวอยู่กับหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูน่แหละตั้งแต่หลวงพ่อบวชมาตั้งแต่ 2,500 ันจนปัจนนี้ 2,566 2,566 เป็นเวลากี่ปีฮะขอให้คณะัทธาญาติโยม นับนิ้วมือดูซิว่าชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นระยะยาวนานทีเดียวครับเพราะฉะนั้นตอบนี้ไปหลวงพ่อจะได้แสดงธรรมล้นะทีนี้นะในขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรมถ้านั้นก็อย่าถ่ายอย่าถ่ายรูปในขณะที่หลวงพ่อกําลังเทศนะเะพราะว่าแเฟทเข้าตาแล้วพูดอะไรไม่ออกเสียสมาธิในการในการเทศนะ แล้วก็โทรศัพท์ก็อย่างที่โคศกได้พูดถ้าเสียงโทรศัพท์เสียงแปลกก็ให้ปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนถ้าหาว่ามีเสียงดังขึ้นก็ให้ออกไปคุยกันข้างนอกนะอย่ามาคุยกันในที่สาธารณะอย่างนี้เสียสมาธิในการฟังเพราะนานทีหลวงพ่อขนุนตั้งอกตั้งใจมาจากจังหวัดอุดรเสียค่าเครื่องบินเท่าไหร่ก่อจะมาถึงเชียงใหม่ก่อนที่จะมาพูดแห่งนี้เพราะนั้น หลวงพ่อตั้งใจจึงได้มาเพราะภารกิจธุรกิจของแต่ละท่านแต่ละองนะก็ของใครของเราก็มากพอสมควรแต่เห็นว่างานของหลวงพ่อไพโรจน์นี่เป็นสหธรรมิกเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อมือนกันท่านบวดก่อนหลวงพ่อ3ามสี่พรรษานะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเห็นว่าเป็นงานสําคัญยิ่งหลวงพ่อจึงได้มาเป็นองค์แสดงธรรม คณะชาติไทยญาติโยมฟังต่อนี้ไปขอให้พวกเราคณะชาติไทยญาติโยมตั้งใจฟังนทฏินีนะหลวงพ่อจะแสดงธรรมแล้วนาฏนีนะห้ามถ่ายรูปนทฏินีหน้าตาเท่เจบแล้วจะถ่ายก็ไม่หว่ากันนะแต่ขณะที่กําลังพูดห้ามถ่ายภาพถ่ายรูปทางว่าักภายไม่มีแฟดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีแฟดแล้วคนรมดไว้ก่อน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 วิญญาณังอนัตตาสัพเพร้างฆาราอนิจจาทับสัพเพธรรมมาอนัตตาตีติวันนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวสังเวทธนิยกถาปารพบงานศพพระครูวิทิศศาสน ก, กิจหลวงพ่อไยโรธวิโรจโนอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ลำพูนธรรมยศ และอดีตหัวหน้าสำนักสงฆ์ดอยปุยวันนี้ได้นำสรีระของท่านมาบำเพ็ญกุศลศพท่านที่วัดสันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันพุธที่12มิถุนายน2526วันนี้เป็นวันพุธที่12แต่วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2556 จะเป็นวันพระราชทานเพลิงศพท่านจึงขอแจ้งข่าวไปยังผู้ที่ครบนับถือในองค์หลวงพ่อไพรโรดให้มาประชุมพระราชทานเพลิงศพโดยพร้อมเพรียงกัน อ, อ, อัตมาภาพจะปาราล่าวสังเวทนิจยกรถาหลวงพ่อไพรโรดของเราท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในถิ่นอีสานในถิ่นภาคเหนือ แล้วกาทั่วประเทศเป็นที่รู้จักมักคุ้นเพราะท่านเป็นองค์แสดงธรรมถ้าไปงานไหนถ้าหากว่ามีงานศพเรื่องงานให ญ, ใหญ่อย่างงานหลวงปู่เพียรอย่างเนี้ยท่านหลวงพ่อไผ่รอดก็ขึ้นไปแสดงธรรมท่านก็เป็นผู้กล่าวสังเวทนิยกถาเกือบทุกงานไม่ว่างานใหญ่ท่านก็เคยไปเป็นองค์แสดงธรรม เพราะนั้นถือว่าท่านเป็นพระเทระผู้ใหญ่เป็นผู้ประกาศธรรมหลวงพ่อเองมานึกหถึงแล้วก่อนหน้าเสียดายหน้าเสียดายท่านอายุสั้นไปสักหน่อยถ้าท่านมีอายุยืนยาวกว่านี้ก็คงจะเป็นกำลังหลักของพระพุทธศาสนาดีทีเดียวแล้วก็เมื่อไปนานมานี้ก็หลวงพ่อคูณสุเมโธอายุไล่เลี่ยกันกับหลวงพ่อไพโรธท่านก็จากไปอีก ก็องนั่นก็เป็นองค์แสดงทำอีกเหมือนกันหลวงพ่อโอ้หน้ า, เ, าเสียดายจะจะทำอย่างไงได้โลกนี้เป็นโลกอนิจจังโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะหลีกลี่หนีไม่พ้นทุกคนต้องได้รับเพราะนั้นก่อนที่พวกเราจะถึงจุดนั้นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลาย อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วยมทูตเขาเขียนวีซ่าไว้ให้แล้วนะทุกคนเกิดมาแล้วเขาเขียนวีซา่าคุณไปเกิดแล้วเหรอเออเอ า, าคอยดูนะให้ไปสั่งสมไปตั้งอกตั้งใจทำมาหาเลี้ยงชีพสังสมคุณงามความดีนะเนี่ยในเมื่อพวกเรามาเกิดพวกเรากอ็อย่าตั้งอยู่ในความประมาทอีกสักวันหนึ่ง อย่างหของพ่อัยโรธของเรานี่ได้รับวีซ่าแล้วเนี่ยได้รับวีซ่าท่านก็ต้องไปกลับบ้านเก่าแต่ว่าคนที่จะกลับไปบ้านเก่านี่ถ้าคนเรามามาเกิดแล้วตั้งอยู่ในความประมาทไม่ได้สังสมคุณงามความดีไม่ได้ ส, สแสวงหาทรัพย์คือบุญกุศลตั้งอยู่ในความประมาทอีกต่างหากไม่เชื่อในบาป บุญคุณโทษไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดแหมคิดว่าเชื่อแต่ว่าตายแล้วศูนย์เพราะมันตายแล้วไม่มีใครมาบอกมาก่าวย่างนี้นี่แหละอันนี้แปลว่าพวกเรามาเกิดแล้วก็ไม่ได้แ ส, สวงหาคุณงามความดีไม่ได้แ ส, สวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าใครมาเกิดแล้วเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นว่าเปล่าประโยชน์ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธทเจ้า เพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาคนสมัยโบราณเขาก็คิดอย่างพวกเราเนี่ยบางกลุ่มบางหมู่บางคณะว่าตายแล้วไม่เห็นใครมาบอกมากล่าวเห็นตายและหายเงียบไปแต่พระพุทธเจ้าท่านได้บำเพ็ญบารมีมานมนานเพื่อจะทำความเข้าใจกับ ม, มวลมนุษย์โลกเพราะนั้นท่านอุบัติขึ้นมาในโลกคราวนี้ครั้งนี้ เพื่อจะทําความเข้าใจค้นของที่ปิดให้เปิดให้พวกเราท่านทั้งหลายฝั่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปทรงผนวชอยู่ในป่าถึงหปีไปค้นคว้าศึกษาอยู่หกปีแต่นี่เราต้องอ้างบรมครูก่อนนะเพราะบรมวครูคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตัดสุรู้อะไรนี่แหละถ้าว่าเราไม่อ้างครูซะก่อนพวกเราจะไปอ้างาปลายมือ ก็ไม่รู้ต้นปลายสายเหตุอันนี้พระพุทธเจ้าทด้ตัดัดสรู้ในวันเดือนหกเพนที่โคลนต้นโพโในวันนั้นท่านตัดสรู้อะไรตัดสรู้ทำสามอย่างปุเพเนวาสานุสติญาณตุตูตตปปาตยานอาสาวคะคายยญาณอันนี้คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ในวันเดือนหกเพนอย่างนั้นพระองค์ก็เมื่อได้ตัดสรู้ออตอนหัวค่ํำ ได้ชัดเจนในปฐมสมโพธิหรือพุทธประวัติตอนหัวค่ําพระอาทิตย์ยังไม่ตักตกดินแอดสดงพระองค์ได้นายโสธิยะนำยาคามาผ่านมาก็ได้มอบยาคาแปดกำมือถวายสิทธาธะจากนั้นสิทธาธะได้ยาคาแปดกำมือก็เกลี่ยลงทางทิศตะวันออกของต้นโพจากนั้นก็หันหันพระพักหรือหันหน้าไปทางทางทิศตะวันออก ขึ้นนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือพวกเราให้ศึกษาเอาไว้นี่แหละกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านาได้ตรัสรู้ในวันเดือนหกเพ่นนั้นาจากนั้นพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง แล้วเกิดยานาทัศนาเกิดฌานขึ้นมาพราะองค์ล้ำลึกชาติผลหลังเนะีปุเพเนวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้ น, ะนี่แหละท่องทําจิตให้สงบซะก่อนจึงจะรู้ได้ว่าอันตริยชาติของเราเนี่ยคืออะไร เ, ะเรามาจากไหนอย่างนี้เป็นต้นนะีอันนี้เราบอกปุกเพเนวาสานุสติยานคือฌานเบื้องแรกจากนั้นพระองค์ก็กําหนดดูพระทัยใจของพระองค์อีกไม่ลดละนะ พอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ได้ตัดรู้ทำขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็ว่าจุตูปะปาตายานการจุดติคือการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายคนคนนี้มาจากไหนมาเกิดออกจากนี้แล้วจะไปไหนเข้าไปเข้ามาเกิดนี้ด้วยกรรมอันไหนของเขาทําไมคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันคนหนึ่ ง, งโง่คนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนคนหนึ่งพิก่พิการคนหนึ่งเป็นบ้าใบเสียจิตทําไม เกิดมาเป็นคนทําไมไม่เหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจ้าก็มองดูกรรมคือการกระทํำทํำคนนี้เขาทํากรรมอันนั้นไว้จึงมาเกิดอย่างนี้คนนี้ทํากรรมอันนี้จึงเกิดมาเกิดอย่างนี้อย่างพระจักคุบาลทําไมจึงตาบอดเพราะว่าพระจักคุบาลในอดีตชาติพระจักคุบาลประกอบยาแล้วก็ทําให้คนตาบอดกรรมตัวนั้นตามสนองเพราะนั้นพระพุทธเจา้าท่านมองดยแล้วกรรมคือการกระทํา ถ้าทำดีกรรมดีจะให้ผลถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลเพราะนั้นท่านจึงตรัสเป็นพระบาลีว่าอากักตังลุกตังเส้ยโยปัชชาตปฏิลุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ติดตามให้ผลให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง อ, อันนี้คือคือทำคำสอนของพระพุทธจเจ้าเามาพิจารณาดูกจริงถ้าเราโมโหโกธาอะไรขึ้นมา อเราไปฆ่าคนเขาซักด้วยความขาดการยับยัง้งเนี่ยพอฆ่าเขาเสร็จแล้วจะไม่ใช่จะมีความสุขแล้วแต่เนี่ยเออหนีจากบ้านหัวสุขหัวซุนหนีตำรวจตำรวจก็พยายามล่าไล่ล่าจับในเมื่อจับเข้าแล้วแต่นี่ น, ะนั่นแหละเ อ, เอาเข้าคุกเอาเข้าตารางแล้วแต่เนี่ยคอตกแล้วแต่เนี่ย เ, เราทําไมไปทําให้กับเขาอย่างนั้นแล้วก็ใช้กรรมแล้วต่เนี่ยนี่แหละกรรมชั่วจะทำเฉลยดีกว่ากรรมชั่วเมื่อทําแล้วตัวเอง อจะวิ่งจะหลบจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้นึกดูให้ดีจะทํากรรมสิ่งไหนที่มันไม่ดีให้พวกเราคิดทบทวนดูให้ดีซะก่อนช่างจิตช่างใจให้ดีซะก่อนจึงทําเออย่าไปทำที่กรรมที่มันชั่วให้ยับยั้งในที่มันจะทํากรรมชั่วนั้นให้คิดดีทดําดีพูดดีแน่น่ะจะมีประโยชน์จะมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเอ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านเนี่ยเนพระพุทธเจ้าตัดสู้ธรรมในคืนวันหกเดือนหกเป็ น, นคือตอนเที่ยงคืนตอนสว่างใกล้สว่างพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรียกว่าอาสาวกยะยานยานอย่างรู้ว่าพระองค์หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงในพระภัยของพระองค์หมดสิ้นไปแล้วลดออกจากพระภัยของพระองค์แล้ว เ, เหมือนกับ สิ่งที่มันชั่วช้าอิเลทราคะโทสะโมหะพระพุทธองค์กาจัดออกไปแล้วด้วยตปะธรรมคือสิลสมาธิปัญญานี่แหละอันนี้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้าแต่นี่ก็คือถ้าเรามาย้อนทีนี่สำหรับพวกเราคณะสัทธาติาโยมทั้งหลายที่จะเดินตามแนวแถวของพุทธะและจะเดินอย่างไรสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นคณะัต ย, ยาิโยมพระสงฆ์ เอาจะเดินยังไงในแนวแถวปฏิปทาเรื่องเราจะเดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เพราะนั้นพวกเราถ้าจะยึดพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธประวัติห่างแต่พวกเราควรจะยึดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นเพราะหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ไม่ได้ปลาหมาดครูบาอาจารย์สายอื่นๆองค์อื่นๆ เรียกว่าแนวทางปฏิปทาขององค์อื่นแต่หลวงพ่อศึกษาในแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเบื้องต้นว่าหลวงพ่อเป็นเนนมาตั้งแต่ปี2500หลวงปู่ล่าก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงตาหลวงปู่แหวนหลวงปู่จามก็ล้วนแล้วเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเพราะนั้นลูกพ่อจะไปเอาแนวแถวสายครูบาอาจารย์องค์อื่น มาบอกกล่าวแนะนําก็เป็นการข้ามขั้นไม่ไม่ละเอียดทีถ่วนแต่ถ้าว่าพูดตามแนวแถวสายของหลวงปู่ปู่มั่นให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วหลวงพ่อนได้ศึกษาละเอียดทีท่วนพอสมควรตามแนวแถวที่หลวงปู่มั่นพาดําเนินบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิท์ของท่านอย่างเึ่หลวงปู่ล่าก็เหมือนกันหลวงตาก็เหมือนกันหลวงปู่แหวนกูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น การภาวนาเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าก็อย่างที่หลวงพ่อได้บอกว่าท่านให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือถ้าจะพูดไปคืออนุจติ10ิพุทธานุจติธรรมานุจติสังคานุจติสีราจาคาเทีวตามรณะานาปนัจตอิอุปสมานุจติคืออนุจติสิแล้วก็กรรมาฐาน40สรวมทั้งอนุจติด้วยเป็น กรรมฐาน4ี่ที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้สุดแท้แต่ครูบาอาจารย์แต่ละสำนักแต่ละแห่งจะนำกรรมฐานไหนมาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนสศิทธิอนุสิ์ของพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาให้ทีท้วนแล้วกรรมฐานทั้งหมดนี่จะอยู่ในไม่หนีออกจากสติปัฏฐานสี่ ที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้คือหลักใหญ่คือสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เรสติปัฏฐานถ้าว่าผู้ใดกำหนดลมหายใจเข้าเอาอะไรกำหนดกายถ้าว่ายกน็อปพองนอเอาอะไรกำหนดเอากำหนดก้าวขาเดินหรือกำหนดยกลมหายใจก็คือกายอีกเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราดูแล้ว ก็คือกายกายานุปัฏฐานจิติปัฏฐานเวทนาก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายบางสำนักนัก่สอนว่าให้ยกแขนยกแขนมือให้มีการเคลื่อนไหวให้เอาจติจับอยู่การเคลื่อนไหวอันนี้ว่าเวทนา น, า, านุปัฏฐานจิติปัฏฐานบางคนก็บอกว่าให้กําหนดดูจิตความนึกคิดเรานึกคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ขณะนี้การนึกคิดของเราไปในทางดีหรือทางชั่ว นึกคิดเรื่องอะไรอันนี้ว่าจิตตานุปัจนาจติปัฐานแต่ที่นี้ทำมานุปัจนาจติปัิฐานก็คืออารมณ์ที่มากระทบใจเรามีความรู้สึกยังไงที่มีอารมณ์ก็มากระทบดีใจเสียใจเราก็รู้นะว่าทำมานุปัจนาจติปฐานนี่แหละกรรมฐานของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วก็อยู่ในจติปัฐานสีองค์ไหนจะเอามุมไหนออกมาบอกกล่าวแนะนา แต่พวกเราท่านทั้งหลายถ้าศึกษาในตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นท่านสอนว่ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าแต่บริกรรมบอกพดท่านไปใช้สองอย่างนะทีนี้ใช้กรรมฐานสองอย่างรวมกันคือเวลาหายใจเข้าพทเวลาหายใจออกโถคือถ้าว่ามีพดโถเข้าไปสมทับเข้าไปด้วย จะทําให้เรามีสติขึ้นมายึดพุทโธอทําโมพุทโธในจิตใจพุทเข้าโธออกพุทเท่าโทออกแต่ท่านก็ไม่ใช่เอาแต่พุทโธอย่างเดียวท่านบอกว่าถ้านเราภาวนาพุทโธแล้วมันยังหลุดออกได้ให้กําหนดดูนะให้กําหนดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่อย่าไปพูดออกเสียงอย่าไปเปล่งเสียงอย่าให้มีเสียงให้พุทโธอยู่ในใจไขควงความนึกค ตัวนั้นแหละให้มีพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่าให้มันมีช่องว่างในขณะที่เราบริกรรมอันนี้แหละหลวงปู่มั่นท่านก็สอนสอนอย่างนี้แต่หลวงพ่อบอกอีกว่าพวกเราคณะสัตยาญาติโยมหมู่พกเพื่อนนะถ้าเราอยากจะรู้นะหลวงพ่อเคยเคยทดลองเคยทดสอบคิดว่าไม่ผิดนะเอแล้วก็บอกมากล่าหลวงพ่อเห็นผลในการกําหนด กำหนดลมหายใจเข้าให้นับให้นับเป็นตัวเลขถึงหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามนับ4ี่นับห้าถึงร้อยพอถึงร้อยแล้วกลับมาอีกนับหนึ่งอีกถ้ามันไม่เผลอนะถ้ามันเผล่ที่ไหนกลับมาใหม่กลับมานับหนึ่งใหม่มันเผล่มันเผลออย่างไรเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองเวลาหายใจเข้านับหนึ่งเป็นเลขขี้นะหายใจออกเป็นเลขคู่สอง สามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยนะถ้ามันจะเผลอมันจะเบอเบอร์ซะก่อนพราะเบอร์แล้วมันจะนับผิดแั้วนี้หายใจเข้าออเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี่อันนี้ขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมทดลองทดสอบดูนะเนี่แหละวิธีการปฏิบัติเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าสติของเราเนี่ดีขนาดไหนแก่กล้าขนาดไหนเอเที่ยงตรงขนาดไหน อันนี้ก็คือถ้าว่าพวกเรานั่งกาหนดนับหนึ่งสองไม่ถึงสิบเผลอไผลเผลอไผลอย่าไปดีใจนะต้องตั้งติให้แน่วแน่กว่านั้นอีกต้องพยายามฝึกถ้าคนเผลอบ่อยๆนับไม่ถึงสิบเผลอไม่รู้กี่ครั้งอันนี้ว่าติของเราเริ่มเรื่อนรอยแล้วนะแต่นี่คนติขาดไปบ่อยไม่เป็นคนดีเผลอเผอเป็นบ้าเป็น บอ่อได้ไ ง, ง่ายงเป๋เป๋ปัป้มๆเป๋เป๋ไปลและท่านี้เพราะเพราะมันขาดสติไอ้คนที่พวกเราเห็นอยู่ตามข้างถนนนะเพราะมันไม่มีสตินะไอ้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเห็นที่นั่งภาวนาหรือว่าสํารวจตรวจต ร, ราดูตนเองน่ะให้มีสติไอ้สติสำเภาัญญะเนี่ยกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้แหละวิธีการแนะนําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ ศึกษาจากพ่อแม่ครูบายอาจารย์แนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วก็ท่าสายองค์อื่นละ่ะผูกไหมก็ทูกอย่างที่หลวงพ่อนะเหมือนกับวิธีหาเงินวิธีหาเงินมีมา ก, ม, ม, ากมีมากหลากหลายในการหาเงินคนหนึ่งทำนาคนหนึ่งทำสวนคนหนึ่งทำไร่มันจาปะหลงังคนหนึ่งปลูกต้นไม้อุคลำใหญใหขายปลูกลิ่นจีลุนจิ้นจีขายปลูกกระเทียมขาย อขายเป็นนักกฎหมายเป็นครูบาอาจารย์มากมายที่พวกเราหาหาเงินแต่ก็ได้เงินทุกทุกอย่างที่พวกเราที่หลวงพ่อได้กล่าวมาแต่นี้พวกเราจะเอาทุกอย่างอย่างนั้นใช่ไหมทั้งทําไร่ทั้งทำนานทำรั้วทำสวนทำหมดทุกอย่างใช่ไหมเพื่อหาเงินมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราต้องยึดอันใดอันหนึ่งแต่หลวงพ่อบอกกล่าวให้การัศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่นั่งฟังที่นี่ หลวงพ่อวันหน้าจะยึดแนวแถวของหลวงปู่มั่นก่อนนะแต่ลัทางนี้ทางนั้นก็สุดแท้แต่จิริตนิสัยของแต่ละคนถ้าว่าภาวนากำหนดลมหายใจอย่างที่หลวงปู่มั่นแนะนำสั่งสอนเราถูกกับจริตอันไหนเราก็ยึดตามแนวแถวนั้นกไ็ไม่ผิดเหมือนกันแต่ถ้าว่าเรายังเลื่อนลอยฉับชายอยู่จับนั้นจับนี้อยู่ไม่ควรจะจับอย่างนั้นควรจะปล่อยวาง น่าจะยึดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนเราก็น่าจะเชื่อหลวงปู่มั่นเพราะหลวงปู่มั่นก็ดีครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่มั่นก็ดีในเมื่อหลวงปู่มั่นล่วงรับดับขันไปแล้วนะอธิธาต์ของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นตําตาตําใจอยู่แล้วเนะี่ยเพราะอะรอันนี้คือกระดูกของพระอรหรันต์เพราะฉะนั้นพวกเราน่าจะตายใจได้น่าจะไว้วางใจได้ แนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มันน่าจะฟังน่าจะศึกษาจากนั้นก็ เ, เมื่อรเราทำสมาธิดีแล้วหลวงปู่ท่านก็สอนให้เดินวิปัสสน า, าสมถนะเนี่ยก็คือทำจิตใจให้สงบให้จิตใจรวมลงเป็นหนึ่ง เ, เมื่อใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจากนั้นเราก็เดินวิปัสสน า, าแต่ตามให้จริงเราจะเดินวิปัสสนาเลยได้ไหมก็ได้ แต่ตามไม่จริงถ้าจิตใจสงบซะก่อนจิตใจเป็นหนึ่งซะก่อนจะเดินวิปัสสนาอันนั้นคือถูกหลักกว่าแต่ถ้าว่าเรานั่งภาวนาดูแล้วมันไม่สงบมันยังเผลอไผลไ ป, ไปทางอื่นอันนี้เรานำมาพิจารณาอย่างที่หลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนว่าปัญญาอบรมสมาธิปัญญาคือใช้ความคิดนึกคิดพิจารณาร่างกายของตนเอง ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดใจใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าที่พวกเราได้สวดสาธยายเรื่องอาการ32ให้พิจารณาให้พิจารณาดูดูดูดูดดในร่างกายของเราแยกส่วนแบ่งส่วนแยกส่วนแบ่งส่วนคือใครครับว่าเรานั่งอยู่ก็ น, นั่งช้ำแหละกายของเราน่ยไม่ต้องช้ำแหละกายคนอื่นล่ะคิดช้ำแหละกายของเราเนี่ย ถอนผมไว้ถอนขนไว้ถอนเล็บไว้ถอดฟันไว้ทันหลกหนังไว้ชํำแหละเนื้อออกไว้เอ็นกระดูกแต่ท่อนๆวางวางวางวางร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหม อ, อันนี้ก็คือวิธีการเดินวิปัสสนาแต่ท่อนการที่ทำจิตให้สงบนั้นก็นอย่างที่ลุงพ่อได้บอกทำจิตใจให้สงบรวมให้จิตใจให้จิตใจทำจิตให้สงบทาจิตใจให้เป็นหนึ่ง แต่วิธีการทําจิตใจให้เป็นหนึ่งนั้นในหลักธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าสมาธิมีอยู่สาขั้นนะขัิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินี่แหละขัิกะก็คืออะไรเมื่อนั่งภาวนาทำจิตใจพอนั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยวนับพุทโธพุทโธด้วยว่าหนึ่งสองสาใจของเราไม่ส่งออกไปข้างนอก พอจิตใจไม่ส่งออกข้างนอกนะ่ะเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจิตใจจะรวมสงบแบบเข้ามาแบบฉาบฉวยนะ่ะแบบวาบเข้ามาเย็นเย็นพอจิตใจวาบเท่านั้นแนหะคําว่าวาบคํานี้มันลึกถึงจิตถึงใจจริงๆมันไม่ลืมนะเออมันไม่ลืมเพราะว่าจิตใจเข้าสู่ความสงบในระดับนี้นะไม่ลืมอันนี้เดียวว่าขั้นนี้กะสมาธิจิตใจเย็นมีความสุขแต่อยากจะให้มันเป็นอีกมันจะไม่เป็นนะ พอเราอยากเพราะนั้นอย่าไปคิดอยากเอาทําอีกกำหนดอย่างเก่านั่นแหละ เ, เดี๋ยวมันก็เป็นอกีกต่อไปมันจะเป็ น, ปนอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิคือจิตใจของเราสติกับ ส, สติกับจิตเนี่ยควบคุมกันสติของเราควบคุมจิตจิตจะนึกคิดเรื่องอะไรสติของเราทันอยู่ตลอดมันนึกคิดเรื่องอะไรควบคมุมสติอยู่ได้สติควบคุมจิตอยู่ได้ อันนี้แล้วอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจิตใจดิ่งลงไปอีกด้วยความสงบไม่รับรู้เรื่องของกายไม่รับรู้เรื่องเสียงต่างๆไม่รับรู้เรื่องเรื่องราวต่างๆจิตใจของเรานน่งสงบสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่รับรู้ทางกายฝนตกฟ้าร้องไม่ได้ยินทั้งหมดเพราะมัน สติของเราไม่ส่งมาทางหูทางตาทางแก้มูกทางลิ้นทางกายนะ่ะจิตใจเป็นเอกเทศอันนี้แล้วว่าอัปปนาสมาธิจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่แหละจะรู้ได้รู้ด้วยตัวของเราเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับรถใจของเราเนี่ยเหมือนกับคนขับรถเห็นได้ชัดเลยมันอยู่เป็นคนละอ่านกันกายกับใจในเมื่อร่างกายแตกตายสลาย ใจคือตัวผูรูคือนามประธรรมนี่ออกจากร่างนี่แหละที่ว่าตายแล้วไม่สูญคือจุดนี้ออการพิสูจน์นั่งการนั่งคือการนั่งภาวนาถ้าจิตเป็นอัปปนาสมาธิแล้วพวกเราท่านทั้งหลายจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วไม่สูนแน่แน่เพราะว่าร่างกายกับใจนั้นเป็นคนละอันกันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าว่าพวกเรานั่งสมาธิจิตใจยังไม่สงบนั้นพวกเราจะแยกไม่ออกนะ เขาว่าจเจงก็ไปไปตามตามเขาแต่ถ้าเราทำจิตใจให้สงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราจะเชื่อมั่นในตนของของเราเองพระทันขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องสมาธินี่ในระดับนี้เราจะรู้ได้แต่นี่วิธีการเดินวิปัสสนาถึงจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิก็แยกส่วนแบ่งส่วนอย่างที่ว่านะ่ะแยกแบ่งร่างกายแบ่งส่วน เจษฎาผมโลมาขนนะะักขาเล็บทันตาฝันเป็นกองกองจากนั้นก็ถามใจตัวเองผู้รู้นะเนีอยจิตที่ผ่านความสงบมาแล้วนั่นน่ะเ อ, อถามผู้รู้คือใจเราเนะ่ะผมเป็นเราใช่ไหมขนเป็นเราเล็บเป็นเ อ, อเราใช่ไหมเนื้อหนังมังสาเป็นของเราใช่ไหมใจของเราจะรู้ได้ใช่ถ้ารวมกัน เ, ออเป็นตัวตนของเราเนี่ก็ว่าเป็นของเราแต่แยกส่วนแบ่งส่วนอย่างนี้แล้วมันเป็นคนละสัตวดละส่วนกัน นี่ลหละอันนี้เมื่อเราพิจนารณาอย่างนี้แล้วถึงเมื่อเห็นกายของเราอย่างนี้แล้วขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเรายังเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไปแล้วเราจะไปยึดร่างกายว่าออของคนอื่นมาเป็นของเรายึดเงินคำทรัพย์สมบัติพัฒฐาน่าเป็นของเรามันก็ยึดไม่เต็มที่เพราะนั้นปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเป็นเครื่องอาศัย เป็นเครื่องอาศัยยังมีชีวิตอยู่เราต้องอาศัยปัจจัยสี่แต่มันไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะเราจะต้องทิ้งทั้งหมดเราเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ยแหละอันนี้คือผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวแถวที่พ่อแม่ปูบายการท่านอบรมแนะนาสั่งสอนสิทธิ์จากนั้นเมื่อเราเห็นรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันเบื่อหน่ายคลาย มันวางที่ใจนะทีนี้มันไม่ได้วางที่อื่นนะรู้ที่ใจรู้ที่ใจรู้แจ้งเห็นจริงที่ใจเบื่อหน่ายคายอยู่ที่ใจใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละใจที่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นแหละจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญภาวนามีมากหลากหลายวิธีการ อย่างในครั้งพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านปรารภนางปุตะะตะกาเทลีนางนี้อยู่ในกรุงสาวัตถีและแต่งงานมีมีลกูกเกิดลกูกแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลกูกมีลูกชายมีลูกหญิงเจคนมีลูกชายเจคนเป็น14คนฮะต่อมา สามีของนางก็ได้มรณะไปตายไปพอนางมรณะตายไปทีนี้นางก็พยายามเลี้ยงลูกทั้งสิบสี่คนพอเลี้ยงลูกขึ้นทั้งสิบสคนลูกทั้งสิบสี่คนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแล้วก็แต่งงานกันอีก ต, ตามประเพณีการครองเรือนพอแต่งงานกันหมดแล้วทีนี้พวกเขาเหล่านั้นก็อยากอยากจะได้มรดกบอกกับแม่ว่าคุณแม่ ผมก็มีขรอบครัวมหมดแล้วมรดกของพ่อของแม่เนี่ยน่าจะแบ่งสันปันส่วนกันทางแม่ก็เออถ้าหากว่า เ, ออเราหามาเลี่ยก็หามาเพื่อลูกนั่นแหละเนี่ยถ้าไม่แบ่งให้ลูกจะแบ่งให้ใครเอา้าจัดการแบ่งสันปันส่วนกันเนื่อวงาการแบ่งสันปันส่วนจะให้มันเปะทุกอย่างเมืเออ่อคงเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นก็คงได้มากบางน้อยบางนิดๆ น, น่อยๆแต่ความกิเลสของคนเนี่ย มันอยากจะให้ตาเอาใส่ตาช่งางซะก่อนยังค่อยแบ่งกันฮะมันทําอย่างนั้นไม่ได้แต่ใ น, นพ่อแม่ก็แบ่งให้เอาเถอะข่าไปเอากับสู้เจ้าหรอกถึงอย่างงั้นลูกทั้งสิบี่คนสู้เจ้าต้องเลี้ยงข่าต่้องเลี้ยงดูแม่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยแม่เลี้ยงทั้งสิบสีคนแม่ยังเลี้ยงได้ไอคนโบราณเอาคิดอย่างนั้นแต่ใ น, นทางก็มอบให้พอมอบให้หมดทุกคนเสมอกันไอพออยู่พอไม่นานฮ ไปอยู่กับลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตก็ บ, บอกว่าเอลูกสาวลูกชายทั้งสิบสี่คนน่ะคงจะไม่ได้รับการอบรมเรื่องศีลธรรมคุณธรรมศีลนิจินธรร ม, รรมจริยธรรมก็คงจะใหญ่ขึ้นมาก็คงจะทํามาค้าขายคงจะทำมาหาเลี้ยงชีพเรื่องศีลธรรมคงแม่ก็คงจะไม่ได้สอนให้ลูกๆนะพ่อแม่มอบม ร, รดกให้ทั้งสิบสี่คน ไม่นานลูกสาวคนโตก็บอกว่าเพราะอยู่กับลูกสาวคนโตเนี่ยลูกสาวคนโตว่าแม่คงไม่รู้จักใครอยู่แต่บ้านของของเราเทั้งที่มรดกแบ่งกันให้โทษถึงไปหมดแต่ว่าแม่ไม่ไปอยู่กับใครอยู่กับบ้านของเราครทั้งผู้แม่เออเดีย๋ยวจะไปอยู่กับบ้านพวกน้องๆบ้านน้องๆแต่ละค น, นก็พูดลักษณะเหมือนกับพี่สาวอีกเหมือนกันเน่ยแม่โอ้ตาย แล้วเอาอย่างไงเอถึงคุณจุดท้องเอาทัชเอ่ข้าในเบื่ อ, อพวกสูญเจ้าแล้วแต่ก่อนหน้านี้คนแก่นี่นก็เข้าไปวัดสู่วัดว า, าศาสนาอยู่แล้วปฏิบัติธรรมเอแต่ก็ไม่จริงจังแต่บัดนี้มาเห็นทุกเลนะีเห็นทุกเพราะว่าลูกเออเห็นแต่ความโลภเห็นมีแต่โลภอยากจะได้เอ่แต่ว่าเรื่องที่จะดูแล แ, แม่นะ่ะ อดูต่างคนก็ต่างปฏิเสธเห็นได้ชัดทางยายนีนก็ถ้าเป็นอย่างนี้บวช ด, ดีกว่าก็เลยไปหาพิกษณุณีไปหาพิกษณุณีไปหาเจ้าอาวาสภิกษุณีกระเบิดดิฉันอยากมาขอปฏิัติธรรมและอยากจะบวชบวชให้ฉันด้วยเทิดนางพิกษุณีก็เลยเอามาเป็นมาฝึกพอมาฝึกเสร็จแล้วเขาก็เลยบวชให้บวชให้ก็ชื่อว่านาง พุฏกาเถรีนางพุฏกาภิกษุณีพ่อนางบวชเสร็จแล้วนางเออข้าเนี่บวชเมื่อภายแก่อีกไม่นานข้าจะต้องตายใช่แล้วจะต้องตายแล้วพอมบวชมเมื่อภายแก่ข้าจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทข้าจะพยายามนั่งภาวนาเดินโยมกลมแล้วนั่งข้าพรเจ้าจะเอาอริยบทสองคือเดิน เดินกับนั่งเท่านั้นจากนั้นนางกลางคืนน่นางก็เดินเดินจงกรมท่านท่านทำยังไงเดินจงกรมแต่บางคนก็เดินเป็นทางเดินจงกรมยาวแต่นางพิษุนีท่านนี้เนี่ยควรจะศึกษาพวกเราควรจะศึกษานางเอามือเกาะต้นเสาเอามือขวาเนี่ยเกาะต้นเสาจากนั้นน า, กกางก็เดินเดินรอบต้นเสาเพราะกลางคืนมันมืดเนี่ย เดินขาขวาพุทธขาซ้ายโธเดินช้าๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทธโธถ้าเดินเหนื่อยแล้วทางก่อนนั่งนั่งบริกรรมกำหนดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายสังขารอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายจากนั้น่านนั่งเหนื่อยแล้วขึ้นมาเดินแปลว่าทําความเพียรอยู่อย่างนี้บําเพ็ญสมณธรรมอยู่อย่างนี้ ไม่เคยลดละเพราะว่าเห็นความตายของตนเองเห็นความทุกข์ในเกิดมาในโลกเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้จริงๆอย่งางนั้นนางก็ภาวนาอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าท่านเห็นอุปนิสัยนางพิกุณีท่านนี้นจะได้มรรคผลนิพพานพระพุทธองค์ก็เปล่งรัศมีมาจากวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารให้เห็นแต่เฉพาะนางบอเออนางให้ตั้งใจภาวนานะผู้ที่ ทำความภาคเพียนตั้งอยู่ในความประมาทแม้เป็นอยู่หนึ่งราตีเดียวเป็นอยู่คืนเดียวก็ดีกว่าผู้ที่มีอายุเป็นอยู่ทั้งร้อยปีโอปปุติเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นให้บําเพ็ญไปเถอดนะจากนั้นนางก็ได้ยินพวกองค็เทศอเนจังทุกขังอนัตตาให้ฟังนางนั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์จากนั้นพวกองคก็ได้ตรัสเป็นคําสัจจริงลงไปอีกว่าการบําเพ็ญคุณงามความดี ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแม้เป็นอยู่หนึ่งราตีก็ดีกว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในความประมาทเป็นอยู่ถึงร้อยปีการเป็นอยู่ร้อยปีจมปลักโดยไม่ได้คิดในอ่านอะไรอยู่ในสิ่งที่ปฏิกูลเหมือนกับหมูอยู่ในเล่าในกรงจะมีประโยชน์อะไรนีพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นพระท่านขอให้พวกเราพนัสศรัาญาติโยม ลูกหลานทุกคนในะสรุปแล้วก็คือตายแล้วไม่สูญที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจุตูปปาตยานปุเพเนวาสานุสติยานปุเพเนวาสานุสติยานละลึกลำลึกชาติผลหลังได้ถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวพระพุทธองค์จะํา ล, ลึกชาติผลหลังได้อย่างไรแต่ในพระพุทธองค์ํารึกชาติผลหลังได้เรียว่าปุเพเนวาสานุสติยานเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่ทาน ที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าให้ภาวนาอะไรพระพุทธเจ้าท่านภาวนากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านเอากรรมฐานสองอย่างเข้ามาไปยุกใช้กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพจดหายใจออกบริกรรมโถเพรา ะ, ะนั้นขอให้ยึดตามแนวแถวหลวงปู่มั่นดูนะเวลาทั้งภาวนาเป็นการฝึกสติคนที่นั่งภาวนา เเมื่อฝึกอยู่เรื่อยๆอบางคนก็ได้บ้างมาเสียบังได้บ้างเสียบางแต่เราพยายามมีความตั้งใจมีการฝึกอยู่บ่อยๆต่อไปจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบจิตใจของเราจะมั่นคงถึงคราวที่พวกเราจะกลับบ้านเก่าคือวีซามาถึงแล้วนะ เ, เขาส่งวีซามาให้แล้ว เ, เ, เราก็ไม่จะทกไม่สะท้านถึงคราวเราแล้วเหรอ ก่อนเราเห็นแต่คนอื่นตายแต่บัดนี้มาถึงคราวของเราแล้วเหรเอาเถอะคุณงามความดีของเราได้สั่งสมมาบุญกุศลของข้าพเจ้าได้สั่งสมมาขอให้มาเกือ้อกูลหลุนข้าพเจ้าเถอะนะเอะข้าพเจ้าถึงคราวของข้าพเจ้าแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าคนที่ภาวนาจะไม่สะทกสะทานหวั่นกลัวต่อมรณะภัยคือความตายแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่เคยภาวนามาก่อนนะ พอมารณ ะ, ะภัยเข้ามาถึงเท่านั้นละ่ะจิตใจก็วหวั่นไหวไกวแกว้งเออกลัวตายเขาทำเข า, เขาให้บอกอะไรทำหมดทุกอย่างไปเส่นไปสวงไปอะไรต่อไม่อะไ ร, ไะไรเขาบอกยังไงทำหมดทุกอย่างเพราะกลัวตายแต่ถ้าว่าพูดที่ภาวนายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อบรมแนะนําสั่งสอนแล้วจิตใจจะมั่นคงนะอาณศตัฏฐาิยาโยมลูกหลานนะไม่วันไหวไกวแหว่งนะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนะกรรมคือการกระทําถ้าเราทํากรรมไม่ดีไว้ในอดีตแล้วกรรมนั้นมาถึงเราเราขอบน้อมรับแต่ถึงยังไงเราจะไม่ทํากรรมชั่วสิ่งไห้ที่มันชั่วเราจะไม่ทําเราจะไม่คิดเราจะไม่พูดเราจะไม่ทําในกรรมที่มันไม่ดีเราทําแต่กรรมเราทําแต่กรรมดี ที่เป็นบุญที่เป็นกุศลเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนขอให้พวกเรานำไปกันกรองไตรตองเหตุและผลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว้าว่าพวกเราทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งไี่ว่าเป็นอัปปนาสมาธิแล้ว พวกเราจะหายสงสัยทั้งหมดเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละอ่านกันเห็นได้ชัดเลยร่างกายเหมือนกับรถส่วนนามธรรมคือจิตใจตัวรู้ๆนะ่ะเหมือนกับคนขับรถในเมื่อคนขับรถถึงข่าวที่รถมันเสียมันพังลูกสุกมันติดสายพานมันหลุดมันพังแล้วหมดอายุของรถแล้วโซโฟเฟอร์จะไปเฝ้ารถอยู่งั้นได้ยังไงเพราะรถมันจะต้อง เ, เข้าพงหญ้าแล้วทีนี้มันเป็นเศษเหล็กแล้วโซเฟอร์ก็ต้องออกจากรถเพราะออกจากรถเลยโซเฟอร์นั้นมีเงินไหมมีเงินติดกระเป๋าไหมอันนี้อะไรสำคัญถ้าว่าพวกโซเฟอร์ไม่ได้หาทุนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการหาเงินพอโซเฟอร์ออกจากรถคันนั้นละทีนี้โซเฟอร์ต้องเป็นโซเฟอร์ที่จนเลยทีนี้จะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้เพราะอะรเพราะว่าสมบัติที่จะเกิดเป็นมนุษย์นั้น ไม่ได้เตรียมเอาไว้ออกจากมนุษย์เราจะเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉันนะจเนี่ยเป็นหมูหมากาไกา่เป็นได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําคุณงามความดีไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกทุกท่านนะคณะเป็นพระนะแต่เป็นพระกรรมฐานนะเวลาจะตายไปเป็นห่วงผ้าจีวรยังไปเกิดเป็นตัวเรนได้นะเนี่ยเพราะนั้นการที่ไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติเลยเนะี่ย น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าไว้แล้วขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติศึกษาให้ศึกษาและนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็พวกเราจะรู้จริงเห็นจริงในธรรมคำสอน เ, อเบื้องต้นที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธบาติีว่ารูปังอนิจจังเวทนารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตา วิญญาณังอนัตตาสัพเพสั่งฆาราอนิจจาสัพเพธรรมมาอนัตตาที่หลวงพ่อได้พูดว่าร่างกายสังขารมิใช่ตัวตนของเรานี่นี่แหละอนุวัตอนัตตามันจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรเอต่าเอหูจมูกลิ้นกายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนะเราบอกได้ไหมบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังเป็นอื่นอยู่เสมอแล้วจะเป็นของเราได้อย่างไรนี่ เพราะนั้นสุขสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนที่เป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเพราะนั้นท่านจึงให้มองว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเ อ, อมันบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังมันเป็นตามสภาพของมันเป็นอนัตตาเพราะนั้นใจอย่าไปทึดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นให้ปล่อยวางอย่าไป ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญให้ปล่อยวางกระทั่งใจตัวนึกคิดอีกตัางหาเพราะนั้นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งจริงๆตามแนวแถวที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนจริงๆให้ท่านวางที่ใจใจหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสและเลิศประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะใจของท่านนะเมื่อใจของท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วร่างกายก็จะเป็นพระพุทธเจ้าด้วย พุทธบริษัททั้งหลายก็เป็นพุพทธบริษัทของพระพุทธเจ้าด้วยถ้าว่าใจของท่านเป็นผุ้ตุชนเราจะเรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรใช่การพูดการกล่าวสังเวทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระสีรัตน์ไรพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญบา ร, รมีของ หลวงพ่อของเราหลวงพ่อไพรโรดของเราที่ท่านได้บำเพ็ญมาเป็นระยะเวลายาวนานอุนกุศลทั้งหลายทั้งมวลขอขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิดสาธุ